ท่านฟังที่รครูค่ะเราก็มาถึงช่วงเวลาที่จะได้พบกั บ, รบพระพิบูลอภิปุโนวัดปาดอนไฮโซจัหัดปาดอนธานีกันอีกแล้วนะคะในเปิดพิที่ถูกปิดด้วยพูท้ทวัจนณะค่ะกราวหน่วงส ก, การกันท่านค่ะเช่นพานค่ะในในเรื่องอคำสอนของพุระเช่าจะพูดถึงเรื่องของพุทธเจียนเจนตีนสักนิดหนึ่งนะเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสนี้ เราได้ยินกันเยอะๆบ่อย ๆ, อยๆพูดถึงเรื่องของอะไรนะ เ, เจ้าอินทรีย์อินทรียใช่ไหมใครจะบรรลุเร็วบรรลุช้าบรรลุอะไรอย่างนี้น ะ, ะว่าอินทรีย์คือสัทธาวิยาสติสมาธิปัญญาเนี่ยจริงๆความหมายมันคืออะไรผูนะ้เช่าเคยได้ให้คํานิยามเอาไว้ว่าใครจะบรรลุเร็วบรรลุช้าเนี่ยนะก็อยู่ที่5อย่างนี้แหละทีนี้ไอ้าอย่างเนี้ยจริงๆมันคืออะไรไคุณจะบรรลุเป็นโสดาบันเร็วหรือช้านะัะศรัทธาของคุณคือศรัทธาอะไร ผู้เชา่าบอกว่าศรัทธาคืออินทรีย์คือศรัทธาเนี่ยหาได้ในโสตาปฏิยังค์สีนะ่โสตาปฏิยังคสี่ก็คือองค์แห่งการบรรลุโสดาบันสีองค์ใช่ไหมคือผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสามหลักแล้วก็เป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหานะอันพระอริยเจ้าสรนเสริญนี่เป็นสีสข้อนะที่จะเป็นองค์ประกอบแห่งโสตาปฏิยังค์สีซึ่งเป็นองค์ประกอบแห่งอินทรีย์คือศรัทธาคะ่ะ ถัดไปคือพูดถึงอินทรีย์คือวิริยะนะ่ะสัตย์และก็เป็นวิริยะวิริยะเนี่ยาหาได้ในสมัปปทาน4ี่นะสมัปปทาน4ี่ก็คือการที่เรามีาความเพียรนะที่จะเอาความอคุศนออกไปนะที่ห้ามอากุศนใหม่เข้ามานะทำอกุสนลธรรมใหม่ที่ยังไม่มีให้มีขึ้นทํากุสนลธรรมที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้เจริญมากยิ่งขึ้นไปงั้นค่ะ แล้วก็พูดถึงสติสติอินทรีอินรีย์คือสติเนี่ยหาได้ในสติปัฏฐาน4สติ <Yeah. S 1> ปัฏฐาน4คือสติอินทรีตอนนี้สมาธิล่ะสมาธิอินซีอินทรีย์คือสมาธิหาได้ในฌานทั้งสี่แล้วก็ปัญญาอินทรีย์อินรีย์คือปัญญาเนี่ยหาได้ในอริยสัจสี่จะเห็นว่าตรงนี้แหมสวยงามจริงๆนะว่าสัทธาอริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยเป็น 4, 4ี่หมดเลย ค, คือศรัทธาก็คือโสตตาประยิงขนสี่วิริย์ก็คือสามารประทานสี่สติก็คือสติปัญสีสมาธิคือฌานทั้งสี่ปัญญาคืออริยสัจสี่ค่ะ<ป>ยิ่สี่ห้าใช่เพราะฉนั้นถ้าใครถามเราว่าโอ้อสตินี่คืออะไรเราก็บอกสติปัญสีเอ๊แล้วปัญญาคืออะไรอริยสัจสี่อย่างเงี้ยนะจะเข้าใจได้ง่ายค่ะแต่สรุปแล้วห้าอย่าง ความจริงน่าจะเรียกว่าเป็นอินรียี่สนะคะพูดถึงอคิดหลักคณิตศาสตร์แต่ท่านเพวอย่าไปจําอย่างนั้นไหมคะม ว, ว่าความรู้ของผู้ทธเจ้าเนี่ยเป็นพุทธวจนะมานานแล้วอินทรีห้าเท่านั้น อ, อย่างเงี้ยคะ่ะเป็นมนุษย์ชอบปรุงแต่งก็ตรงนี้จะทําให้เห็นว่าเออคำสอนพระเจ้าเนี่ยมันจะมีเก็บไว้ตรงนี้งอกอยู่ตรงนู่นอธิบายตรงนี้แล้วไปโผลตรงนั้นอย่างเงี้ยเป็นประจําอยู่เป็นเรื่อยๆเลยเป็นความบังเอิญมากเลยค่ะท่านคะดิฉันเองเนี่ยก็ระหว่างที่สนทนากับท่าน ก็เกิดมีหนังสือเกี่ยวกับธรรมะอยู่ใกล้ๆแล้วก็เปิดไปหน้าหนึ่งเจอเรื่องอินรี่ห้าเลยค่ะแต่ว่าเขายกมาจากหนังสือบวชทาไมของท่านเพื่อธาตุพิขุแล้วตีกรอบบอกว่าอยู่บ้านก็บวชได้เพียงทำสมาธิหรือเจริญภาวนาโดยยึดหลักอินรี่ห้าถ้าปฏิบัติตามหลักอินรียห้าเท่ากับว่าเราเป็นผู้บวชแม้อยู่บ้านอย่างนั้นใช่ไหมคะบวชนี่คือการประพฤติพรหมจรรย์ นะบวชคือการหลีกออกจากกามนะบวชจริงๆใช้คําว่าเนฆัมมะปาษาบาลีนะเนฆัมมะก็แปลเป็นให้มันเข้าใจคือการหลีกออกจากกามพะนล้วการหลีกออกจากกามเนี่ยก็ถ้าคุณปฏิบัติตามอริยมังโมยงแปดก็ชื่อว่าคุณหลีกออกจากกามละออะไรมังโมยงแปดนี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะสี 5, นะ่ห้ามีสมาธิมีปัญญาแค่นึงก็ก็ได้แล้วคทีนี้ถ้าพูดถึงอการที่ท่านทั้งหลายจะบวชอยู่ที่บ้านใน กรอบที่ท่านเพื่อทานได้ยก เ, เรื่องอิน 4-5 ห้ามาสมมติว่าวันนี้มันศุกร์แล้วใช่ไหมคะท่านคะเป็นบานเสาร์อาทิตย์เนี่ยเอาละฟังจากรายการท่านพบูลเนี่ยจะบวชอยู่ที่บ้านละเสาร์อาทิตย์ให้ทำยังไงบ้างคะเออก็อันดับแรกก็ตั้งจิตระลึกในการที่เราจะมีความปกติที่พระพุทธเจ้าบอกนั่นคือเอามันสักแดข้อเลยเป็นไงเนาะเอาสีแปไปเลย นะแล้วก็ตั้งจิตเอาไม้ว่าเราจะทําอย่างนี้วันนี้ฉันจะไม่ประพฤติที่มันไม่ปกติคือหมายว่า8อย่างนี้จะเป็นความปกติของฉันในวันนี้อย่างนี้นะท่านท่านลงรายละเอียดได้ไหมครับเผื่อว่าบางท่านอาจจะ น, นึกไม่ออกว่าแอย่าง<อ>นี่ยได้ไ ด, ได้อันแรกก็คือเป็นผู้มีปกติในการเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ค่ ะ, ะเป็นผู้วางท่อนไม้สัตราเสร็จแล้วมีความเอนดูเกื้อกูลหวังความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายน ะ, ะให้เธอมีความปกติอย่างนี้ ค, นะความปกติข้อที่สองก็คือปกติแล้วก็จะไม่ถือเอาทรัพย์อันจะของไม่ได้ให้นะหวังอยู่แต่ของที่เขาให้เป็นคนสะอาดไม่ประพฤติตนเป็นคนขโมยนี่คือข้อที่สองนี่สั้นๆนะย่อๆน ะ, ะ, ะข้อที่สามก็คือเป็นผู้มีปกติประพฤติพรหมจรรย์เป็นปกตินะเว้นขาดจากการเสพเมทนตินของชาวบ้านนะข้อที่สี่ก็คือเป็นผู้ที่มีปกติไม่โกหก เป็นผู้พูดคําจริงรักษาคําสัต์มั่นคงในความพูดเป็นผู้มีคําพูดควรเชื่อถือได้ค่ะข้อที่5นี่ก็เป็นผู้มีปกติไม่ดื่มสุรามีไรอันเป็นที่ใต้แห่งความประมาทค่ะข้อที่7กับ8นะสข้อข้อที่ขอไปข้อที่6ก่อนสิเนาะข้อที่6ก็คือเป็นผู้ที่เว้นขาดจากการรับประทานในเวลาวิการนะคือเป็นผู้มีวันหนึ่งรับประทานหนเดียวนะคือเว้นขานจากการรับประทานในเวลาวิการและในเวลาราตรี วิการ <Okay. S 1> ก็คือหมายถึงล่วงเวลาไปแล้วนะเกินเวลาไปแล้ว <Okay. S 1> อันที่ข้อที่อะไรข้อที่7แล้วนะ <Okay. S 1> ข้อที่7ก็คือเป็นผู้ที่ไม่ทัดทวงประดาับประดาดอกไม้ของหอมเครื่องรูปลายรูปถาอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวแล้วก็ <Okay. S 1> ไม่ดูการละเล่นนะอันเป็นค่าศึกแจ ก, กแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย <Okay. S 1> มีปกติอย่างนี้นะอันตัดไปก็คือเป็นผู้ที่ไม่นั่งไม่นอนบนที่นั่ ง, ท, งที่นอนสูงใหญ่ นั่งนอนบนที่นั่งอันที่นอนอันต่ำอันไม่ได้ยัดด้วยนุ่นและสำลีมีอ๋อทั้งนั่งเลยนั่งด้วยเหรอคะใช่อ๋อไม่นั่งและนอนอืมค่ะท่านคะ่ะทีนี้อ่าท่านพูดมาทั้งหมดแล้วดิฉันขออนุญาตลงรายละเอียดเพราะว่าอย่างกับตอนที่ไปหลีกเล้นที่วัดป่าดอนหายโซเนี่ยเรื่องของการรับประทานนะคะอืม ค, คือเหมือนกับว่าท่านกําลังพูดว่าเป็นการรับประทานเพียงมื้อเดียวใช่ถูกไหมคะ ไม่รับประทานในเวลาวิการทีนี้มื้อเดียวมันก็ถ้าหนึ่งครั้งเท่ากับหนึ่งมื้อเนี่ยดิฉันก็เข้าใจว่ามีอาหารร่วมลําคอประมาณสามครั้งที่เป็นเรื่องเว็ราวนะคะอคื อ, อครั้งที่หนึ่งเนี่ยตอนเช้าประมาณแปดโมงเศษเศษหลังจากที่ผสมพิจนาอาหารแล้วพวกเราก็มารับประทานกันอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นมื้อที่มีข้าวมีกับข้าวมีขนมหวานมีเครื่องดื่มใช่ไหมคะใช่ทีนี้พอไปปฏิบัติอีกเวนซัก สองชั่วโมงก็จะมีมื้อตอนสิบเอ็ดโมง อ, มอันนี้ค่ะถ้าท่านบอกว่าเป็นการรับประทานมื้อเดียว น, น, นะคะช่วงนั้นเขาก็จะให้ทานอาหารว่างกันได้อะคะ่ะใช่เป็นอาหารว่างเป็นผลไม้บ้างเป็นถั่วต้มบ้างอะไรประเภเนี้นะอั น, นอันนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อไหมคะอันนี้ก็เป็นอาหารว่างคือเป็นอย่างงี้ถ้าถ้าไม่มีเนี่ยเราก็ไม่ไม่เรียกร้อง แต่ถ้ามีกูถามว่าคุณจะพิจารณาอย่งไรเพราะว่าอันนี้มันเป็นยาได้ไหม่ะก็ถ้าพิจารณาเป็นยาเนี่ยก็สามารถทําได้ค่ะแต่ต้องเรียนท่านผู้ฟังอ่ะคะ่ะเขาก็จะจัดอาหารประเภทที่แบบว่าไม่ใช่เป็นอาหารที่เราเห็นแล้วกิเลสเราจะเลยเลยโอ้โหยหน้าทานจังอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยะคะ่ะ <laughs> คือเหมือนกับว่าเป็นอาหารที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันกําจัด ความหิวที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการที่เราไม่คุ้นเคยแค่นั้นเองนี่แหละคือจุดประสงค์ทีนี้ยังมีอีกครั้งค่ะท่านคะก็คือพอตอนห้าโมงเย็นเขาเป็นยังไงบ้ห้าโมงเย็นทีนี้อย่างพวกเราไม่ได้ป่วยใช่ไหมคะไม่ต้องรับประทานยานก็เฉาก้วยทุกมื้อเลยคะ่ะอจะมีเฉาก้วยกับเม็ดแหนมรักแล้วก็จะมีน้าผลไม้น้าปาน ะ, นะคะ่ะ มีมาตูมบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่มีรสหวานแบบอร่อยนะคะแลมแมปลาแลมปลาแล ม, แมอย่างนี้ไม่นับเป็นมือ้อใช่ไหมคะนับเป็นอะไรอะคะคือถ้าสมมติว่าเรามีอาการป่วยป่วยเนี่ยหมายถึงอะไรป่วยนี่คือคือคือหิวนี่ก็ป่วยนะ <ขา S 1> ยแต่ที่ชั้หมายถึงว่าที่แยกว่าไม่ใช่ผู้ป่วยเพราะเ็จะมีอีกอี ก, อ, กอีกถาดหนึ่งที่จะเป็นน้ำเต้าหู้น้ำ น้ำเต้าหู้แบบเป็นกล่องๆนะคะ อ, อแล้วก็ะจะมีอ่เดี๋ยวนะเป็นผลไม้มับางทีมีกล้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนีอ้สําหรับผู้ที่ต้องรับประทานยาอ๋ออืมอืมก็คือว่าอย่างนี้เป็นขั้นตอนคือสมมติอาการหิวของเราเนี่ยเล็กๆน้อยๆที่เราพอจะอดทนได้อย่างเงี้ยอันนี้เรามีเหตุในการรับประทานได้ค่ะแต่ถ้าเราอดทนไม่ได้เลยต้องกินอะไรคุณไปกินพวกที่เป็นอาหารเนี่ยได้ค่ะอืม นะคะ ล, ลักษณะนี้ที่เราอยู่ที่เราพิจารณาเองนะค่ะแต่ว่าต้องบอกท่านว่าไม่ใช่ท่านอาจจะบอกโอ้โหอะไรก็อะไรเถอะมันคุ้นเคยกับการรับประทานมากแล้วจะมีชีวิตปฏิบัติธรรมได้ยังไงจิตมันคงคิดแต่เรื่องหิวโหยทุกทรมารยอรอย่างนี้ในนี้ก็เพื่อความเลี้ยงง่ายเพื่อความที่แบบพอคือผ่อนผ่อนผ่อนพันบ้างบางคนไม่คุ้นเคยนะคุณโยมเติวอยู่ๆมาจะให้มามื้อเดียวพวดเลยเนี่ยโมันทําไม่ได้นะร่างกายมันยังปรับไม่ได้ก็ ค่อยๆปรับไปในลักษณะนี้ดังนั้นก็เท่ากับว่าถ้าจะทำกิจกรรมบวชอยู่ที่บ้านกันดังที่ท่านได้พูดว่าเริ่มต้นด้วยการรักษาศีลแปดก่อนแล้วเนี่ยในเรื่องอาหารก็พิจารณาตามนี้ได้ก็แล้วกันนะคะได้ได้แต่ว่าอาหารที่สิบเอ็ดโมงกับห้าโมงเย็นไม่ควรจะบริโภคเข้าไปเนี่ยตงคือแบบไหนไหมคะเพราะว่าดิฉันสังเกตเนีเอ๊ะทาไมต้องเป็นเฉากว๊วยดิฉันเข้าใจว่าเฉาก้วยเป็นยานเฉากวยเป็นยางไง เขาถึงให้ใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันจะสังเกตว่ากาแฟมื้อเช้าเนี่ยกับกาแฟที่เขาตั้งให้ตอนเย็นและกลางวันเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคือเขาก็จะใ ห, ใ, ให้เราชงเองใช่ไหมคะดิฉันเนี่ยเป็นคอกาแฟเลยค่ะก็งงมากอตอนมื้อเช้าเนี่ยเขาจะให้มีคอฟฟีเมดได้อะไรได้อ่าทรีอินวันบ้างอะไรบ้างนะ่าแต่พอมาถึงตอนสายเนี่ยเขาเก็บหมดเลยนะคะา <Black Coffee S 2> เหลือแต่กาแฟทุวน เนี่เป็นต้นนนี่เป็ความละเอียดที่เราจะต้องมองนะค่ะอืก็แสดงว่าถ้ามีพวกคอฟฟี่เมดมีอะไรพวกนั้นไปมันจะทําให้กลายเป็นอาหารไปอย่างนั้นใช่ไหมคะคือมันก็ถ้ามีส่วนผสมของนมนะถ้านมเนี่ยเป็นอาหารละค่ะทีนี้ถ้าพวกนั้นบางทีเขาบอกมันไม่ใช่นมมันเป็นไขมันที่สกัดมาจากพืชอันนี้ก็เราก็ไม่รู้ส่วนผสมดั้เราก็เลย question mark ไว้ก่อนออแล้วก็เลยแยกออกไปอเอาละทีนี้ ในส่วนของเรื่องอื่นยิงคิดว่าคงไม่มีไม่มีข้อกังขาแล้วค่ะน่าจะเป็นเรื่องรับประทานนี่แหละทีนี้ว่าเรื่องที่คุณยอมติบอกบวชอยู่ที่บ้านเนี่ยบวชได้นะไม่มีปัญหาเราเลี้เร้นอยู่ที่บ้านก็ได้เลี้เรนนี่คุณจะทำที่ไหนก็ได้ที่มันมันมันทำได้นะทีประเด็นที่ผู้ชอบพูดถึงก็คือว่าให้เป็นผู้ที่มีกิจน้อยมีบริการน้อยสันโดษในบริการแห่งชีวิตนะคือจะต้องถ้าถ้ามีกิจน้อยนยมันก็ได้อย่างพระสงฆ์เนี่ย ไม่ได้มีกิตอะไรมากทํากับข้าวคุณไม่ต้องทำแบบบินาบาบดได้อะไรมาก็กินอย่างนั้นนี่ถ้าจะอยู่คุณอยู่บ้านเนี่ยคือคุณต้องทํากับข้าวนะค่ะหรือคุณจะไปซื้อกินมันก็มีให้เลือกหลายอย่างมันก็จะเป็นผาระอนะค่ะอันนี้ลองมองดูเฉยเพราะในเรื่องของการหลลเซ้นเนี่ยถ้าทําได้นะให้เป็นเรื่องเปนราวเนี่ยมันก็ดีปีหนึ่งสักครั้งสองครั้งก็ก็จะเป็นการดีว่างนั้นครูผู้เชี่ยที่ทำบ่อยนะคุณยมติวบ่อยทํําอืมทาบ่อยจนกระทั่งว่าพวกที่ ปริพาโชคนี่ยเขาไปโจดกันเลยว่าอู้สงสัยยังไม่บรรูุเป็นพระอาหารจริงค่ะคือดิฉันกำลังคิดเหมือ น, อนกับว่าเป็นทางเลือกในการที่จะพักผ่อนก็น่าจะเป็นไปได้ถ้าคิดอง่ายๆพักผ่อนก่อนนะคะหาวิธีที่ว่าเอ๊ะเราจะแทนที่จะไปเที่ยวใช่ไหมคะเพราะดิฉันได้ไปพบประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่อะคะ่ะใช่ปานไปเกาหลีมาเนี่ยเขาก็จะมีรายการการท่องเที่ยวให้เลือกนะคะว่าไปพักอยู่วัดไหม แล้วก็ไปปฏิบัติเหมือนหลีกเล่นอย่างนี้เลยนะคะอ oh. ไปทํากิจที่ที่ศาสนิก ค, ควรทําอ่ะอแล้วปรากฏว่าได้รับความนิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะพวกตวนตกนะคะ oh. ่ะเรนก็เลยคิดว่าเออความจริงเนี่ยถ้าเรารู้ว่าไอ้ยอย่างนี้มันก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะอ hmm. คือเที่ยวอยู่ในอะไรนะคะสติปัฏฐานสี่ถูกไหมคะ แบบทริปปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> ใช่คืออยู่กับบ้านเนี่ยค ะ, ะมันมีสองอย่างไอนน้นั่นเดินทางท่องเที่ยวกับถ้าอยู่กับบ้านนี่นก็เป็นพักผ่อนอยู่ในสติปัญสีเป็นฮอลิเดดอีกแบบหนึ่งใช่สมการนี้ที่ผ่านมาไหมมันผ่านมาซะแล้วไม่งั้นอาจจะมีหลายคนนะคะที่ถือโอกาสทําแบบนี้แต่อย่งไรก็ตามนี่ก็ได้ยินหลายคนนะคะสงการานก็ถือโอกาสว่าไปตระเวนไปวัดโน้นวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไปปฏิบัติธรรมไป อคุยธรรมะอะไรต่างๆก็เป็นการเข้าหาสมณะเป็นสิ่งดีเป็นมงคลค่ะท่านเข้าทีน่นี้สองวันเนี่ยมันได้อะไรไหมคะพูดถึงถ้าทํำสาวัตถิสอยู่กับบ้านเอาได้สิทําชั่วลัดนิ้มือเดียวคุณก็ได้นะอในขณะนั้นคุณก็อยู่ในมัดคุณอยู่ในมัดทั้งสองวันดีมากเลยนึกออกไหมเพราฉะนั้นคุณทําไปเนี่ยมันสะสมแล้วเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยทําให้จิตของเราเนี่ยมีอาสวะลดน้อยลงนั้นลอกอกิเลสออกไปเอย่ า, างนั้นก่อนที่จะทําเราควรจะ มีกระบวนท่าอะไรไหมคะแล้วก็พอหลังเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะมีกระบวนท่าอะไรเป็นการแสดงเป็การจบแบบสมบูรณ์ก็แผ่เมตตก่อนน้ำผู้เช้าพูดถึงคือแผ่เมตตานี่เริ่มก่อนเลยน ะ, นะคือจิตที่มีเมตตาเนี่ยจะทำให้ตั้งมันได้ดรวดเร็วแต่วเพราะนั้นถ้าเราทรงจิตไว้ด้วยความเมตตาการปฏิบัติของเราในในช่วงนั้นก็คงจะได้เร็วขึ้นแล้วก็ในตอนจบเราก็อุทิศบุญกุศลอันนี้ก็เป็นท่าเริ่มท่าจบได้อื นะคะคก็เท่ากับว่าทําแบบเดียวกันทั้งหัวทั้งท้ายได้ไดแต่ว่าถ้าอุทิศบุญเนี่ยอาจจะต้องมาอุทิศหลังเพราะเรายังไม่ได้ทําบุญอะไรเกิดขึ้นแต่เมตตาในเรื่องต้นก่อนได้เลยใช่ใชนะคะเนี่ยเราก็คิดว่าเราได้ให้ในสิ่งที่มีคุณค่ากับท่านในเสาอาทิตย์นี้อย่างยิ่งและก็เสาอาทิตอื่นๆต่อๆไปด้วยนะคะให้ทางเลือกในการที่จะใช้ชีวิตในช่วงเสาอาทิตย์แล้วก็จะไม่ต้องมาบ่นว่าไม่มีเวลาที่จะไปหลีกเล่น วันนี้กราบนักมาตการท่านไพบู่บุเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะยนดีครับท่านฝู้ังที่พบครับท่านเพรื่บุเองก็คงจะได้พักอีกวันสองวันหลังจากนี้เพื่อที่จะเตรียมรับการหลีกเล้นใหม่ในสัปดาห์ถัดไปอีกเหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามเสาร์อาทิตย์นี้ท่านก็ไม่ได้หยุดเพราะว่าจะจัดรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเวลาเดียวกันคือตีห้าถึงตีห้าคึ่งต่อค่ะดิฉันพระมาชาคาวโรและท่านไพบู่บุพร้อมกัน ทั้ง3าเนี่ยนะคะจะกลับมาพบกันในรายการนี้ก็ในวันจันทร์ที่จะถึงนะคะขอให้พวกเรามาพบกันเช่นเคยและขอให้ท่านทั้งหลายที่ตั้งใจจะทำในสิ่งที่ดีในวันเสาร์ทย์นี้ได้ประสบความสมเร็จใครจะปฏิบัติทำให้ธรรมะเจริญเท่าที่ท่านปรารถนาเลยนะคะพุทธสวัสดีค่ะ